บทที่93เาเรียนพระอภิธรรมในบรรดาศิษยานุสิทธ์ที่เป็นพระภิกษุพระอุดมวิชายยานเป็นห่วงพระเจริญมากกว่ารูปใดทั้งหมด ด้วยเหตุที่ท่านเห็นว่าสิทธิผู้นี้จะต้องชดใช้เวรที่ได้ทำกรรมที่ก่ออีกมากมายหลายประการกรรมบางอย่างมีกำลังแรงมากจนแทบจะพรากชีวิตเขาไปเสียจากโลกมนุษย์นั้นเทียวแต่ถึงกระนั้นกุศลกรรมที่ทำไว้ก็มีอยู่มากเช่นกันโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมตน ทั้งด้านสมถะและวิปัสนาซึ่งอนิสงส์ของการปฏิบัติสามารถทัดทานแรงกรรมฝ่ายอกุศลได้บ้างจริงอยู่ที่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วไม่อาจหักกบรบลบล้างกันได้เหมือนกับน้ำกับน้ำมันที่มีอาจผสมผสานให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเพราะกรรมดีก็ไปตามกรรมดี กรรมชั่วไปตามกรรมชั่วแต่การสะสมกรรมดีไว้มากๆก็ช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ในยามกรรมชั่วมาให้ผลพระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ทำกรรมดีไว้น้อยทำกรรมชั่วไว้มากเหมือนน้าหนึ่งแก้วกับเกลือนหนึ่งกรร ม, มือ เมื่อนำเกลือใส่ลงไปในน้ำก็จะทําให้น้ำนั้นมีรสเค็มใช้ดื่มแก้กระหายไม่ได้ส่วนผู้ทํากรรมดีไว้มากทากรรมชั่วไว้น้อยก็เปรียบเหมือนน้ำในแม่น้ำคงคาทั้งสายกับเรือหนึ่งกำรร ม, มือเมื่อนำเกลือใส่ลงไปในแม่น้ำก็ไม่ถึงกับทําให้น้ำมีรสเค็มและยังคง ใช้ดื่มแก้กระหายได้เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพระเจริญจะกลับวัดพรมบุรีเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าเขาบรรลุญาณส6หแล้วเท่ากับจบวิชาวิปัสสนาระดับปริญญาตรีและส่วนปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเทียบได้กับการบรรลุธรรมสูงขึ้นไปนั้น สามารถเรียนด้วยตนเองได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่สำนักแห่งนี้อย่างไรก็ตามท่านต้องการให้ลูกศิษย์ได้เพิ่มพูนความรู้ทางปริยัติเขายัางต้องศึกษาด้านปริยัติอีกมากเพราะการจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ต้องรู้ทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนํำฤิดังนี้แล้วจึงให้เรียกเข้ามาพบในเย็นวันหนึ่ง เจ้าคุณอาจารย์ให้เรียกหากระผมหรือครับพระหนุ่มถามหลังจากที่กราบเบญจางคาประดิษฐ์สามครั้งแล้วถูกแล้วมีบางเรื่องที่ฉันอยากจะคุยกับเธอเหลืออีกเดือนเดียวก็จะครบหเดือนแล้วใช่ไหมครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินอีกไม่นานกระผมก็จะได้กลับไปหาโยมยายดูเหมือนโยมยาย จะอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาคงอายุมากแล้วสินะยมยายของเธอน่ะ93แล้วครับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยังไปถืออุโบสถที่วัดได้เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแล้ว อ, อ่อใครดูแลล่ะตอนอยู่บางม่วงหมู่พี่สาวกระผมเป็นคนดูแล แต่พอย้ายมาอยู่ในตลาดอยู่กับโยมพ่อโยมแม่และพี่ๆของกระผมครับทำไมถึงต้องย้ายอยู่ในตลาดไม่หนูกหูแย่หรือเสียงจอกแจกจอแจทุกวันครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่เดิมเงียบสงบดีแต่โจนผู้ร้ายชุกชุมปล้นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวัน โยมพ่อโยมแม่กลัวจึงต้องอบพยพมาอยู่ในตลาดซึ่งถึงแม้จะอึกทึกแต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่เก่าคนบางคนที่เนี่ยก็แปลกนะครับเจ้าคุณอาจารย์อาชีพมีออกมากมายทำไมต้องมาเป็นโจรผู้ร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพราะกรรมเขาทำมาอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า บุคคลจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นชาวนาก่อเพราะกรรมเป็นศิลปินก่เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก่อเพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก่อเพราะกรรมเป็นโจรก่อเพราะกรรมเป็นราชาก่อเพราะกรรมหมูสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิมสลัก ของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้นนี่มีในพระไตรปิฎกเล่มที่12บสองและเล่มที่ย5สิบห้าเล่มที่ส2องอยู่หน้าที่ร้7เจส่วนเล่ม25ห้าก็อยู่หน้า382สองถ้าสนใจก็ไปเปิดดูได้เช่าคุณโชดกอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างบอกที่มาเสร็จสับ ท่านเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเลิเกินอย่างนี้นี่เองจึงได้รับสมยาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่คนที่ได้ป ร, รียนก้าวเก่งอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์ทุกคนหรือเปล่าครับพระหน่มถามเรื่องนั้นฉันไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจถ้าจะให้ตอบอย่างพระพุทธองค์ก็ต้องว่าบุคคลจะเก่งก็เพราะกรรม แต่เท่าที่ฉันรู้นะพวกประเรยนเก้าที่ศึกออกไปกลายเป็นขี้เมาย้ำเปก่อมีบอกได้เลยว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับฉันก่อมีพวกนี้เขาบวชไม่ครบไตรสิกขาน่าเสียดายเอาละเราเลิกพูดเรื่องของคนอื่นได้แล้ว ที่ฉันให้เธอมาพบก็เพื่อจะบอกให้รู้ว่าฉันอยากให้เธอหาความรู้ทางปริยัตเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติเธอเรียนจบพอจะไปสอนเขาได้แล้วปฏิเวทเธอก็เข้าถึงแล้วเหลือแต่ปริยัติที่ฉันว่าเธอจะต้องศึกษาเพิ่มเติมครับกระผมเองก็ประสงค์จะเรียนรู้ แต่ไม่ทราบว่าจะไปหาเรียนได้ที่ไหนเห็นจะต้องขอคำแนะนำจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ฉันก็กําลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือนฉันว่าจะส่งเธอไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดระฆังที่นั่นมีพระอาจารย์เตสินชาวพม่าเป็นผู้สอนท่านเก่งมากพระพม่า มาเก่งทางพระอภิธรรมวัดระฆังฝั่งทนบุรีใช่ไหมครับที่สมเด็จพระพุทธจารย์ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมครับท่านหมายถึงสมเด็จโตถูกแล้ว อยู่ฝั่งทนตรงข้ามวัดมหาธาตุเรานี่เองเธอก็นั่งเรือข้ามฝากไปเรียนไปเช้ากลับเย็นหรือถ้าที่นั่นมีกุฏิว่างจะอยู่วัดะระฆังเลยก็ได้ถ้าเธอตกลงใจพรุ่งนี้ฉันก็จะพาไปฝากครับและถต่ท่านชจ ค, คุณอาจารย์จั ก, กรุณากระผมไม่ขัดข้องดีแล้ว ถ้าฉะนั้นพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จก็ไปกันเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันโกนขึ้นสิบสี่ําำหลังจากฉันเช้าแล้วเจ้าคุณโชดกจึงพาพระเจริญนั่งเรือข้ามฝากไปยังวัดระฆังโคสิตารามและบอกความประสงค์กับสมภารวัดระฆังว่าท่านจะนำลูกศิษย์มาฝากเรียนพระอภิธรรม ดูหน่วยก้าแล้วถ่าทางจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะครับหรือท่านจะคุณว่ายังไงสมภารวัดระคังรู้สึกถูกชะตากับพระหนุ่มฉลาดมากครับท่านสมภารดูเหมือนจะฉลาดเกินไปด้วยซ้ำเจ้าคุณอาจารย์พูดยิ้มยิ้มอย่าให้เกินสิเอาแค่พอดีพอดีเธอน่ะ ต้องมัดจิมาปฏิปทาอย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไปท่านสมภารพูดกับพระหนุ่มสุดละแต่กรรมครับท่านสมภารบุคคลฉลาดพอดีพอดีหรือว่าฉลาดเกินไปเพราะกรรมพระหนุม่มนำสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาใช้ในทันท่วงทีถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ถูก แต่อย่าลืมว่ากรรมเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยกเว้นกรรมในอดีตที่แก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมปัจจุบันเราแก้ไขได้เนื่องจากว่าตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเราไม่ใช่พระพรหมที่ไหนมากำหนดให้ฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นอะไรก็ต้องทำเหตุปัจจัยให้ตรงตามนั้นเช่นอยากเป็นพระนักเทศ ก็ต้องฝึกเทศให้เก่งๆเอาละเอาละอย่าพูดนอกเรื่องกันเป็นอันว่าฉันรับเธอไว้เป็นลูกศิษย์และจะฝากอาจารย์เตชินให้ท่านจะคุณไม่ต้องห่วงนะครับท่านบอกพระอุดมวิชญาณาขอบพระคุณท่านสมพารครับแล้วจะให้เขาไปกลับหรือว่าจะให้อยู่พักที่นี่เลย เจ้าคุณโชดกถามสม่านไวเดียวกันกับท่านพักที่นี่เลยกุฏิของหลวงปู่นาคมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งหลวงปู่ท่านชาราภาพมากแล้วถ้าได้คนมาอยู่ใกล้ๆ ก็จะดีจะได้ช่วยดูแลเวลาท่านอาพาธถ้าเช่นนั้นคงต้องให้เขากลับไปขนเครื่องอัถบริการมาที่นี่เลยหรือท่านสมภารจะเห็นว่ากระไรดีครับจะได้ให้เขาไปส่งท่านเจ้าคนด้วยประเดี๋ยวผมจะให้เนนไปช่วยขนแล้วท่านจึงเรียกสมเรนรรูปหนึ่งมาสั่งการจากนั้นพระอุดมวิชายยาน จึงลาสมพันธ์กลับมายัางคณะห้าพร้อมพระเจริญและสมเณรรูปที่มาช่วยพระหนุ่มขนเครื่องอัฐบริการไปยังวัดโคสิตารามหลวงปู่นาคอายุ99อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะครบร้อยกระนั้นก็ยังดูแข็งแรงเหมือนว่าอายุสักแปดสิบเศษเศษแต่ถึงอายุมากหากความจำยังดี ไม่เลิดเลือนหลงลืมเหมือนคนแก่ทั่วไปเมื่อพระเจริญไปอยู่ร่วมกุฏิด้วยนวดเฟ้นให้ท่านเหมือนที่เคยปริบัติหลวงพ่อเดิมหลวงปู่นาคได้เล่าให้พระหนุ่มฟังว่าท่านมาอยู่วัดระฆังตั้งแต่อายุเก้าขวบมาเป็นลูกศิษย์รับใช้สมเด็จโตและเมื่อสมเด็จมรณะภาพท่านก็บวชเป็นสมนณีนอยู่ที่วัดนี้ และได้เก็บรักษาเครื่องอัฐบริการสมเด็จไว้นอกจากนี้ท่านยังได้มรดกจากสมเด็จเป็นสร้อยลูกประคำ9สี108มีร้อยแปดเม็ดแต่ละเม็ดสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหลวงปู่บอกว่าลูกประคำเหล่านี้สมเด็จท่านแกะสลักจากกิ่งโพที่หล่นลงมาเกลื่อนลานวัด ท่านจะเลือกเก่งที่มีขนาดเท่านิ้วก้อยมาสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วนำไปย้อมสีก่อนจะร้อยเป็นสายสร้อยเคยมีผู้ถามว่าทำไมจึงมีก้าสีท่านตอบว่าท่านย้อมตามสีของแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์เช่นสีแดงคือวันอาทิตย์สีเหลืองวันจันทร์สีชมพูวันอังคาร สีเขียววันพุธสีแสดวันพฤหัสสีฟ้าวันศุกร์สีม่วงวันเสาร์และเพิ่มสีขาวกับสีดำอีกสองสีสีขาวแทนวันข้างขึ้นสีดำแทนวันข้างแรมรวมแล้วก็มีเก้าสีนอกจากลูกประคำแล้วยังมีสมเด็จซึ่งท่านทำขึ้นมาเองท่านมีภาพผงสมเด็จ เก็บไว้หลายโถเวลาทำท่านจะสวดคาถาชินบัญชรซึ่งท่านรจนาขึ้นเพื่อบูชาพระอรหันต์เมื่อจะสวดชินบัญชรท่านจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุง ม, มหาการุณิโกก่อนแล้วจึงจะสวดคาถาชินบัญชรเป็นลำดับสุดท้าย ผงที่ใช้ทาพระสมเด็จนั้นท่านทำขึ้นมาเองโดยเก็บรวบรวมดอกไม้บ้างพวงมาลัยบ้างที่ญาติโยมถวายแล้วนำมาตากแห้งและโขลกให้เป็นผงโดยหลวงพ่อนาคจะมีหน้าที่โขลกให้ท่านนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วสมเด็จท่านยังชอบเรียนภาษาสิงหน ท่านพูดอ่านเขียนภาษาสิงหนได้เป็นอย่างดีเละยงสอนให้หลวงปู่นาคด้วยนี่ไงผลงานของท่านหลวงปู่นำแผน่นกระดาษสีทองที่มีตัวอักษรขยุคยิกอยู่เต็มมาให้พระเจริญดูนี่คือภาษาสิงหหนเหรอครับพระหนุ่มถามถูกแล้ว ท่านเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคร้กับบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหลวงปู่อ่านได้ใช่ไหมครับได้สิท่านเขี่ยวเขียนให้ปู่เรียนจนได้ท่านบอกว่าเมื่อท่านตายไปจะได้มีคนอ่านบันทึกของท่านออกแล้วยังบังคับปู่ว่าให้หาตัวแทนไว้ ถ้าปู่ตายจะได้มีคนอ่านแทนและลุงปู่มีตัวแทนหรื อ, อยังครับยังเลยพยายามจะสอนให้เนนแต่ไม่มีใครยอมเรียนพอมาเริ่มได้สองสามวันก็ไม่เอาแล้วลงปู่หน้ากล่าวเรียนยากไหมครับไม่ยากถ้ามีความมานะอดทนถ้า จะเรียนใหม่ปูก็จะสอนให้ถ้าทางฉลาดฉลาดอย่างเจ้าคงเรียนได้ผมกำลังเรียนพระอภิธรรมอยู่ไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาสิงห์นุนไปด้วยจะได้หรือไม่ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าเรียนพระอภิธรรมตอนกลางวันกับอาจารย์เตชิน กลางคืนก็เรียนภาษาสิงหนกับปูถ้ารู้จักแบ่งเวลาเจ้าก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเจ้าจะเรียนสมถะด้วยไม่ใช่หรือครับผมเรียนสมถะเรียนคถาอาคมต่างๆมามากมายแต่ไม่ค่อยได้ใช้คิดว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไร หลวงพ่อเดิมสอนผมว่ามีเสื้อหลายตัวดีกว่ามีตัวเดียวเจ้าโชคดีมากนะที่อยู่ได้กับท่านพระภิกษุรัตัญยูอย่างหลวงพ่อเดิมหาไม่ได้ง่ายๆครับและผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับหลวงปูน่นาคผู้เป็นภิกษุรัตัญยูเช่นกัน หลวงปู่กับหลวงพ่อเดิมอายุไม่ห่างกันเท่าไรใช่ไหมครับปู่อ่อนกว่าท่านราวแปดเก้าปีเห็นจะได้นิ่งกันไปพักหนึ่งพระหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงปู่เคยเห็นมกาลีผลไหม ค, ร, มมคมรับถามทาไมแทนคําตอบหลวงปู่กลับถามคือโยมยายของผมท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อช้างวัดตึกกระชา ท่านพูดภาษาสิงหหนได้และท่านให้ไปเที่ยวป่าหิมะพานได้เห็นมักลกีผลด้วยและท่านจึงเล่าเรื่องที่ยมยายเล่าให้ฟังสมัยท่านเป็นเด็กเล่าจบจึงเผยความในใจว่าเมื่อผมเรียนภาษาสิงหหนกับลุงปู่จนพูดได้แล้วผมจะไปเที่ยวป่าหิมะพาน จะไปดูให้เห็นกับตาว่ามักะลีผลรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นหลวงพ่อช้างบอกโยมว่าสวยมากผมอยากไปพิสูจน์เจ้าจะได้พบแน่นอนจำคําของปู่ไว้นะว่าอีกสิบเจปีเจ้าจะได้พบมักะลีผลปู่ไม่ใช่หมอดูแต่ปู่กล้ายืนยันว่าเจ้าจะได้พบเมื่อเจ้าอายุสี่สิบสาม ย่างสี่สิบแต่ไม่ได้พบที่ป่าหิมพ์พานแล้วพบได้ที่ไหนครับพระหนุ่มถามรู้สึกว่าเวลาที่หลวงปู่บอกช่างยาวไกลไม่รู้ว่าตัวท่านจะมีอายุยืนยาวไปถึงวันนั้นหรือไม่เอาเถอะจะไปที่ไหนก็ได้พบจําคำพูดไว้ก็แล้วกันหรือจะจดบันทึกไว้ก็ได้ ดังนั้นเมื่อกลับมายังห้องของท่านแล้วพระหนุ่มจึงจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานพระเจริญต้องเลื่อนเวลากับวัดพรหมบุรีออกไปอีกสองเดือนเวลาสามเดือนที่พำนักอยู่ที่วัดระฆังท่านได้ศึกษาพระบิธรรมจนเข้าใจจิตเจตสิกก็รูปนิพพานและก็ได้เรียนภาษาสิงหนผลกับหลวงปูน่นาค จนสามารถอ่านบันทึกแผ่นทองของสมเด็จพระพุทธารย์ได้ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่สมเด็จท่านบันทึกไว้นั้นตรงกับเรื่องที่โยมพ่องเล่ามาทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องยายแฟงเรื่องมหาทองหรือว่าเรื่องแม่นาคพัขโนงนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่โยมพ่องไม่ได้เล่าอีก จะเป็นว่าแกไม่มีเวลาเล่าหรือสมเด็จท่านไม่ได้เล่าให้โยมพ่อของแกฟังก็เป็นได้เมื่อท่านกลับวัดพรมบุรีหลวงปู่นาคได้ให้มรดกของสมเด็จโตหลายอย่างแก่ท่านมีพระสมเด็จห้าองค์สร้อยลูกประคำเก้าสีหนึ่งเส้นและผงสมเด็จอีกหนึ่งโถใหญ่ เอาไว้เวลาหล่อพระจะได้ใช้ผงสมเด็จผสมอย่าใช้คราวเดียวหมดนะผสมไปครั้งละสองกำมือก็พอที่เหลือเก็บไว้แจกลูกแจกหลานที่เหลือเก็บไว้แจกลูกสิทธิ์ลูกหาเวลาใครเขาจะหล่อพระก็แบ่งให้เขาไปเก็บได้เป็นสิบสิบปีเจรละหาไม่ได้อีกแล้ว ขอพระคุณหลวงปู่มากครับท่านกราบหลวงปู่ด้วยความซาบซึ้งในเมตตาที่พิสุสูงวัยก่อนกราบวัดพรมบุรีหนึ่งวันท่านได้นั่งเรือข้ามฟากไปกราบลาเจ้าคุณมหาหนูอาจารย์แพงพระครูประกาศและมิตรสหายที่เคยรู้จักกันเจ้าคุณโชดกให้ศีลให้พรสิทธก้นกุติและ เตือนว่าท่านจะต้องรับกรรมอีกหลายอย่างขอให้ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานชดใช้กรรมหมดแล้วท่านจะเป็นปิปัสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้า